เกิดกันมาจากไหนกันตามบาอาจารย์สายทมากนะครับดีนะตมาเรู้สิสายนี้และปเรียนจากครูบาอาจารย์องค์ไหนล่ะเออจริงเริ่มต้นผมเองเนี่ย่ก่อนแล้วก็แวการปฏิบัติสายท่านมั่นแล้วก็าระพโขานาสิก่อ นะนบบิตการตามจิตบ้างอะไรนะครับให้ทเตามบ้างเเรียนเนี่ยูกพอเนศิลปิก็ดีแล้วเนี่ยนะที่ที่ท่านอาจารย์ว่าท่านารยเีอาจารย์พ่ับว่าเป็นิะทาอครับตมามาบวชเพราะท่านชวนให้บวช ตอนภาวนาหัดแต่เป็นคารวาะนะหัดใหม่ๆแล้วก็อยากบวชเหมือนกั น, นมีภาระตอนน้นภาระเยอะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ลูกคนเดียวอะไรเงี้ยยังบวชไม่ได้บวชไม่ได้ก็ไม่บวช ภ, ภาวนาไปภาวนาไปก็เลยพบอันหนึ่งนะเป็นคารวาะเราก็ทําได้นะคารวะาก็มีจุดเด่นบางอย่าง แล้วก็มีจุดเด่นบางอย่างมีจุดด้อยบางอย่างเหมือนกันอย่างคราวาสเนี่ยผัด ส, สะเยอะสิ่งที่มากระทบเนี่ยเยอะเราะงั้นะเราอย่ามาอ้างนะว่าเป็นฆราวาสทาไม่ได้ <c oughs> ยิ่งสิ่งที่มากระทบมากนะถ้าเราจเจริญสติเป็นเนี่ยคล้ายๆเราทำกันบ้านทั้งวันเราไปอยู่ในวัดเงียบๆหลายๆวันไม่ได้เจอหน้าใครเราบอกวค่จิตสงบอย่างเงี้ยพอออกมาเจอบางทีไม่สงบลนะ งั้นจิงคารวาัตก็ทำได้ทำไปนะเสร็จแล้วหลวงพ่อมนตรีหละชวนให้บวชท่านบอกให้มาบวชหน่อยมาช่วยกันตอนนั้นก็พระเราก็เยอะเลยถามท่านนะว่าท่านก็สอนพระมาตั้งหลายปีแล้วมีลูกศิษย์ท่านทำได้บ้างไหมท่านบอกก็พอมีบอกนั้นผมก็ไม่ต้องบวชสินะท่านก็มีผู้ช่วยแล้วนี่ ท่านเลยด่าคนเรานะมันประมาทท่านบอกว่าธรรมะนะเป็นของดีรู้ก็รู้ว่าดีเห็นก็เห็นอยู่เอาข้าได้แล้วยังไม่ยอมไม่ยอมเอาเนี่ยเขาเรียกว่าคนประมาทถูกท่านด่าพวกถูกตาแม่บ้านเขาก็เลยชวนบวชเถอะบวชเถอะพี่แบบนี้ท่านพูดถึงขนาดนี้แล้วก็เลย เข้ไปหาท่านใหม่บอกเอาละจะบวชนะจะขอเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ก่อนเลี้ยงแม่ไปแม่อายุตั้งแปดสิบเก้าเลยถึงตายพ่อยังไม่เป็นไรเลยนะแข็งแรงเสร็จแล้วเลิกทุกวันเลยถ้าพ่อเราตายเราจะบวชเสร็จแล้วดูไปดูไหมใครๆนั่งแช่งเขาแค่รอให้เขาตายเลยชวนเขามาอยู่วัดนะก็ะเลยได้ออกบวช กวาจะบวชเลยแก่แล้วอายุเยอะบวดอายุทั้งสี่สิบแปดแล้วนั้นเป็นคารวะานะทำได้ไม่ใช่ทำไม่ได้เมื่อผลนิพพานเนี่ยไม่มีพระไม่มีคารวดาหรอกเรามีสติจริงๆหรือเปล่าเท่านั้นเองส่วนใหญ่ที่เราบอกว่าเรามีสติมีสตินะมันไม่ใช่สัมมาสติหรอกสติที่พวกเรามีจริงๆมันสติอย่างโลกโลกเช่นเรา อ่านหนังสือได้เรียนหนังสือได้ขับรถได้ทํางานได้เราบอกว่ามีสติสติของโลกส่วนสติที่เป็นสัมมาสติจริงๆเนี่ยคือเครื่องมือหนึ่งในการระรึกรู้กายะระลึกรู้ใจของเราเองคนในโลกนี้มีแต่คนลืมตัวแตมาพูดอย่างนี่บางคนว่ากแกล้งว่าไม่ได้แกล้งหรอกพูดซื่อๆเลยพูดกันอย่าง จริงใจในโลกนี้มีแต่คนลืมตัวไม่มีคนรู้สึกตัวหรอกอย่างพวกเรานักปฏิบัติที่เราบอกว่าเรามีสติมีสตินะถ้าลงมีสติมาหลายๆปียังไม่ได้อะไรติดตัวไว้เลยนแสดงว่าไม่ใช่ของจริงหรอกถ้าเรามีสติตัวจริงตัวแท้มันต้องได้อะไรบ้างทําไปหลายๆปีถ้าปฏิบัติแล้วก็มีแต่ค่าแค่ว่า ช่วงนี้สงบช่วงนี้ฟุ้งซ่านช่วงนี้สงบช่วงนี้ฟุ้งซ่านเป็นอย่างนี้หลายหลายปีนะต้องประเมินใหม่ละต้องวิเคราะห์ละต้องมีอะไรที่ไม่ถูกต้องแท้จริงก็คือสติตัวจริงมันไม่เกิดมันมีแต่สติตัวปลอมสติตัวจริงนะหมายถึงความระลึกได้ที่ไม่ได้เจตนาจะระลึกอะไรเกิดขึ้นในกายเนียสติระลึกเอง อะไรเกิดขึ้นในจิตใจสติระลึกขึ้นได้เองโดยไม่ได้เจตนาสติเนี่ยคือความไม่เลื่อนลอยนั่นเองในอภิธรรมจะสอนสติมีความไม่เลื่อนลอยเป็นลักษณะในขณะที่ใจของเราเนี่ยเลื่อนลอยทั้งวันเลยถามว่ามันเลื่อนลอยไปไหนบ้างมันเลื่อนลอยไปทางตาทางหูจมกูกลิ้นกายใจที่ลงปู ด, ดูลเรียกว่าส่งจิตออกนอกนั่นเองจิตเราไหลไปตลอด ไหลออกนอกกรนะทั่งลงมือปฏิบัตินะเขายังไหลไปเพ่งนะเช่นรู้ลมหายใจเข้าออกจิตเราไหลไปเพ่งลมนะดูท้องฟองยุบก็ไปเพ่งท้องเดินจงกรมก็เพ่งเท้าหรือไม่ก็เพ่งตัวทั้งตัวนะดูลมหายใจก็เพ่งลมบางคนขยับมือก็เพ่งมือเนะพ่งกับรู้เนี่ยคนละเรื่องกันนะ สติตัวแท้ของเราไม่มีเพราะว่าพวกเราจะสุดโต่งอยู่สองข้างเสมอเลยไม่เผลอไปก็เพ่งเอาไว้เผลอไปเผลอไปดูอยากดูวิ่งไปดูไปดูแล้วก็ลืมตัวเองอยากฟังวิ่งไปฟังเราก็ลืมตัวเองอยากรู้เรื่องเราวิ่งไปคิดเราลืมตัวเองใจของเรามีแต่ใจวิ่งไปวิ่งไปไปหาอารมณ์หรือรูปเสียงกลิ่นรสโัพภะธรรมารมณ์ทางใจทั้งหลาย จิตมีแต่จะวิ่งไปหาสิ่งเหล่านี้ลืมตัวเองลืมกายลืมใจตัวเองทั้งวันคนในโลกมีแต่ลืมตัวเองอีกพวกหนึ่งก็นั่งเพ่งเอาไว้นั่งเพ่งกายนั่งเพ่งใจเมื่อคิดถึงเรื่องปฏิบัติก็เพ่งลูกเดียวเลยบังคับกายบังคับใจบังคับกายบังคับใจภาษาบาลีเรียกว่าอัตตะกิลมัฐานโยกการทาตนให้ลาบากสังเกตดูพวกเรา ร่างกายจิตใจของเราเวลาไม่ได้นึกเรื่องปฏิบัตินะเราก็สบายๆยยทันทีที่เราคิดเรื่องปฏิบัติเนี่ยเราเริ่มบังคับตัวเองสังเกตไหมเริ่มบังคับเช่นบังคับทางกายวางฟอร์มนะทางใจก็ทําให้ครึมขรึมเคร่งเคร่งเริ่มดัดแปลงนะนี่คือสุดโต่งไปข้างบังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจพอไม่ได้คิดเรื่องปฏิบัติก็หลง หลงดูหลงฟังหลงคิดหลงทั้งวันเมื่อไร่หลงไปก็ลืมกายลืมใจรู้กายรู้ใจไม่ได้เมื่อไร่บังคับไว้กายใจก็นิ่งผิดความเป็นจริงเหมนสองอย่างนี้เป็นศัตรูของการเจริญวิปัสนาวิปัสนาจริงๆเนี่ยคือการที่เรามีสตริรู้สึกตัวขึ้นมารู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงจนวันหนึ่งเห็นว่าความจริงแล้วกายกับใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอก ถ้าเห็นความจริงอันนี้เราจะได้พระโสดาบัน่ะพระโสดาบันคือท่านที่ละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราเราจะรู้สึกว่านี้เป็นตัวเรานี่ถ้ามารู้กายมารู้ใจเนืองเนืองเนี่ยวันหนึ่งจะเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอกอย่างกายเนี่ยเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตนะุเราอาศัยธาตุของโลกนี้อยู่นะพ่อแม่ให้ธาตุส่วนหนึ่งมาหรือที่เหลือเราก็มากินอาหารเข้าไปขับถ่ายออกมาหายใจเข้าไป สับถ่ายออกมาหายใจออกอะไรเงี้ยมีแต่ธาตุที่ไหลเข้าธาตุที่ไหลออกไม่เห็นไม่มีตัวเราไอตัวที่ยืนเดินนั่งนอนไม่มีตัวเราเลยมีแต่ตัวทุกข์ทุกข์จริงๆทุกข์ล้วนล้วนจิตใจก็เป็นของไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงทั้งวันเราเฝ้ารู้ใจเราเราจะเห็นเลยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเห็นต่อไปอีกว่าบังคับไม่ได้ด้วย บังคับให้สุขตลอดไม่ได้บังคับให้ดีตลอดไม่ได้เนี่ยเรารู้รู้ลงไปเองนี้ในที่สุดเห็นความจริงเลยว่ากระทั่งจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเราแล้เป็นของที่บังคับไม่ได้มันทํางานของมันได้เองเดี๋ยวมันก็คิดเดี๋ยวมันก็นึกเดี๋ยวมันวิ่งไปดูเดี๋ยวมันวนิ่งไปฟังส่งไปส่งมาเนี่ยถ้ารู้ซ้ำซ้ำอย่างนี้นะเป็นจะละความเห็นผิดว่ากายกใจเป็นเราได้เั้นจะไม่เกี่ยวอะไรกับการทําใจให้สงบนะคนละเรื่องกัน การทําจิตใจให้สงบมันก็ได้พักผ่อนได้สบายนี่พอจิตใจสงบได้พักผ่อนได้สบายแล้วต้องเจริญปัญญาต่อคอยรู้อยู่ที่กายคอยรู้อยู่ที่ใจนะครูบาอาจารย์บางองค์ที่คุณไปเรียนกับท่านท่านจะสอนให้เดินท่านเดินทั้งวันทั้งคืนเดินไปรู้สึกตัวไปเดินไปรู้สึกตัวไปนะหัวใจของการปฏิบัติก็คือรู้สึกตัวไหมถ้าเรารู้สึกตัวได้เราก็รู้กายรู้ใจได้ ถ้าเราลืมตัวเราก็ลืมกายลืมใจงั้นถ้ามาเรียนที่นี่นะสมาชิจะคอยย้ำกับพวกเราเรื่องให้รู้สึกตัวไว้ให้ตื่นไว้ให้มีสติไว้นี่ทำไงจะตื่นได้บังคับให้ตื่นก็ไม่ตื่นหรอกทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นของที่บังคับไม่ได้สั่งไม่ได้แต่ถ้ามีเหตุนะมันจะเกิดขึ้นเอง ถ้ามีเหต ote, horror, ุของความโกรธความโกรธก็จะเกิดนะถ้ามีเหตุของความโลภความโลภก็เกิดมีเหตุของความหลงความหลงก็เกิดมีเหตุของสตินะสติก็จะเกิดมีเหตุของสัมมาสมาธินะสัมมาสมาธิก็เกิดมีเหตุของปัญญาปัญญาก็เกิดเนี่ยพวกเราไม่เคยได้เรียนเรื่องเหล่านี้กันเรามีศรัทธาครูบาอาจารย์เราก็ลงมือทำกันดุยดูไปเลยทำไปเผื่อฟลุก ร้อยคนพันคนหลุดออกไปได้คนสองคนแต่ถ้าเรารู้เหตุรู้ผลเนี่ยศาสนาพุทธสอนไว้บริบูรณ์เลยนะนทําไงสติจะเกิดทําไงสมาธิสัมมาสมาธิจะเกิดทําไงปัญญาจะเกิดสอนไว้หมดเลยสติคือความระลึกได้ระลึกได้ในกายในใจของเรานี่อะไรเกิดขึ้นในกายก็รู้ทันอะไรเกิดขึ้นในใจก็รู้ทัน หน้านที่ของสติของสัมมาสติอะไรทําให้สติเกิดการที่จิตเรารู้จักสภาวะพอสภาวะที่รู้จักแล้วเกิดขึ้นสติจะเกิดเองยกตัวอย่างอย่างคุณสองคนรู้จักกันพอคนนี้มาปุ๊บเรารู้แล้วว่าคนนี้มาถ้าเรารู้จักกันถ้าเราเคยรู้จักความกโกรธพอความกโกรธมาสติจะเกิดเองอ้อโกรธละสติทําหน้าที่แค่รารึกได้ว่าอะไรเกิดขึ้นสติไม่ได้แปลว่ากําหนด พวกเรารุ่นหลังเนี่ยมาแปลสติว่ากําหนดเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นคำพีบางอันอัตกถาสติปัฏฐานสอ น, นสเนี่ยซ้ำไปว่าสติที่ไปกําหนดนะ่ะเป็นตัวทุกข์เรากับชอบกําหนดกันเบื้องหลังการกําหนดก็คือตัณหาอยากปฏิบัติเป็นตัวสมุทยัยท่านสอนขนาดนี้นะสอนละเอียดแต่สติจริงๆไม่ได้กําหนดหรอกสติเป็นความระลึกได้มันระลึกขึ้นมาเองด้วยไม่ใช่สั่งให้ระลึกได้ เพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เราสั่งได้จริงเั้นหน้าที่เรานะ่คอยรู้ไว้อะไรแปลกปลอมขึ้นในกายคอยรู้สึกอะไรแปลกปลอมขึ้นในใจคอยรู้สึกหัดรู้สึกไปเรื่อยจิตใจของเราแต่ละวันไม่เหมือนกันรู้สึกไหมบางวันเศร้าหมองบางวันท่องสาบางวันสบายใจบางวันไม่สบายใจหัดรู้ไปต่มารู้ให้ละเอียดขึ้นไม่เฉพาะวันแต่ละวันหรอกที่ไม่เหมือนกัน แต่และเวลาก็ไม่เหมือนกันตื่นนอนความรู้สึกตัวอย่างหนึ่งรู้สึกไหมตอนตื่นนอนความรู้สึกกับเดี๋ยวนี้คนละอันกันไม่เหมือนกันตอนนั่งรถมาวัดกับความรู้สึกเดี๋ยวนี้ก็ไม่เหมือนกันตอนมาถึงวัดใหม่ๆตื่นเต้นใช่ไหมกับตอนนี้ความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันดังนั้นแต่และเวลาเนี่ยความรู้สึกของเรามไม่เหมือนกันเราเริ่มเริ่มจะเห็นความจริงแล้วจิตใจของเราเป็นของไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆ ฝึกรู้ฝึกดูต่อไปอีกจะพบว่าไม่เฉพาะแต่ละเวลาหรอกที่ไม่เหมือนกันแต่ละขณะสังหาระที่ไม่เหมือนกันขณะนี้ตามองเห็นความรู้สึกก็เปลี่ยนฟูดได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนะใจเราคิดความรู้สึกอันนี้มนตครับนิมนต์เดี๋ยวนะขอเวลานอกนิดนึงอ่ะคุยถึงใดแล้วลืมไปแล้วออื อ๋อเนี่ยเราคอยรู้ไปนะความรู้สึกของเราแต่ละวันแต่ละเวลาเนี่ยไม่เหมือนกันนะถ้าพูดย่อๆนะเอาง่ายๆเลยก็แล้วกันแตมาเล่าให้ฟังว่าจะมาปฏิบัติยังไงแตมาเนี่ยตอนเด็กๆตั้งแต่เจ็ดขวบนะพ่อพาไปกราบท่านพ่อรีวรโนโศกเพื่าฝึกอนาปนาสติหายใจเข้าหายใจออกนี่เราเด็ก อยู่ไกลครูบาจารย์ต่อวิปัสสนาไม่เป็น ไ, ได้แค่สมถะอยู่แค่นั้นพออยู่มาอีกสาปีท่านก็มรณภาพแล้วไม่ได้ไปเรียนก็เลยทำอะไรไม่เป็นหร อ, อกได้แต่สมถะทุกวันหายใจเข้าหายใจออกพุโทโธไปด้วยหายใจเข้าพุทออกโธ ท, ทาอยู่อย่างเงี้ยหลายปีนะทำอยู่ตั้ง20 2 2ีปนะีปรากฏว่าไม่ได้อะไรหรอก หายใจไปทีแรกมันจะเคลิมเคลิมเที่ยวออกไปรู้โน้นรู้นี่เราก็รู้ว่ามันไม่ใช่ทางอ่ะนะเพราะฉะนั้นเวลาหายใ จ, จพยายามรู้สึกไม่ให้เคลิมนะ้มพอจงใจจะไม่ให้เคลิมเนะี่ยใจนี่หนักหนักแน่นๆน่นอึนักลําบากเนะี่ยปฏิบัติอย่างคนโงูแท้เลยนะมีแต่ศรัทธาอยากปฏิบัติก็ดุยดุยทำไปนะสมถนะก็ไม่ได้อย่างแท้จริงเนะมีศาสนาก็ไม่เป็น ทำได้แค่วันนี้สงบพรุ่งนี้ฟุ้งซ่านได้แค่นี้เองนะทำแต่ก็ทนท น, ทนไปเรื่อยนะนี่จนกระทั่งปี2525 25, ไปเจอหนังสือของหลวงปู่ดูลนะนิดเดียวนะเรื่องอริยสัจแห่งจิตว่าจิตส่งออกนอกเป็นสมุทยัยนะคนที่เกิดจากจิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรค ผลที่เกิดจากจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธพอได้ยินประโยคนี้นะมันสะเทือนเข้าใจเลยเข้าถึงใจแล้วเออถ้าจิตมันไม่ทุกเนี่ยนะใครมันจะทุกแต่เดิมมันก็ได้ยินอยู่เหมือนกันครูบาอาจารย์วัดตาท่านชอบให้พิจารณากายลงดูกายแนะั้ดูไม่สำเร็จหรอกมันรู้สึกน่าเบือ่อเพราจริงๆก็คือไม่ถูกกัจิตนั่นเอง คนที่จะดูกายเหมาะที่จะรู้กายเนี่ยคือพวกที่เรียกว่าตันหาจริตคนที่พวกเหมาะกับการดูจิตเนี่ยเขาเรียกพวกทิฏฐิจริตพวกทิฏฐิจริตคือพวกคิดมาก น, นั่นเองพวกคิดมากเนี่ยหมาะที่จะดูจิตตันหาจริตก <t> ็คือพวกโลภมากนะคนในโลกนี้มีสองกลุ่มไม่โลภมากกขาคิดมากแต่แท้จริงก็คือทุกคนน่ะเป็นส่วนผสมของทั้งสองอย่างเนะฉะั้นถ้าคนไหนเด่นในทางโลภมากเนี่ยเหมาะที่จะรู้กาย คนไหนเด่นในทางคิดมากเหมาะที่จะรู้จิตธรรมานี้พวกคิดมากฉะนั้นครูบาอาจารย์ได้ยินอยู่เหมือนกันนะท่านว่าให้ดูกายดูกายใจมันไม่เอารู้สึกไปดูมันทําไมไม่น่าสนใจใจไม่หยอมพอได้ยินธรรมะของหลวงปู่ดูลบอกว่าฉีดเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมาก <c oughs> ถ้าจิตมันพ้นสั้นเดียวนะความทุกข์มันก็มีไม่ได้ละความทุกข์มันจะไปตั้งอยู่ที่ไหนอะถ้ามันไม่ตั้งอยู่ที่จิต สาไปหาท่านนะขึ้นรถไฟไปรับราชการใหม่ๆเงินเดือนก็น้อยนะเก็บเก็บเงินไว้แล้วพอถึงวันมาคะดิมันะต่อกันหลายวันหยุดต่อกันหลายวันขึ้นไปกราบท่านไปถึงท่านนะกลัวนะกลัวเพราะว่ารู้ว่าท่านนะเป็นอาจารย์ของหลวงปู่ฟัน่นอะีกนะเสร็จแล้วจดจดจ้องจ้อ ง, องเลจะเข้าไม่เข้านะกลัว พวกพระผู้อมยมที่เขาผ่านพอกอ้าเข้าไปเลยหลวงปู่กลังฉันบอกนีให้ชั่นฉันก่อ น, นความจริงไม่ใช่อะไรหลับปอดเนะ่ยไม่เคยไปหาพระผู้หลับผู้ใหญ่อย่างนั้นเลยไม่รู้นิสัยเป็นยังไง <นะ S 2> ดูเปล่าไม่รู้บางองค์เคยได้ยินว่าครูบาอาจารย์โมโหแล้วกระโตนกว้างเลยตัวท่านยึดยักยิ้ยักอยู่นะจนทั้งท่านฉันเสร็จคนอื่นไปหมดแล้ว ถ้าเห็นเราไม่เข้าไปนะก็ท่านเลยออกมาเองนละ้มาชะโงกใส่นะอยู่อีกตึกหนึ่งเลยนี้ไปอยู่ทีนะ่ห่างเนลยมาชะงกใส่แล้วเข้าไปกราบท่านบอกหลวงปู่ผมอยากปฏิบัติแทนที่หลวงปู่จะสอนว่าเอาปฏิบัติทําอย่างนี้อย่างนี้นะไม่สอนนะหลวงปู่ดูนะอัศจรรย์นั่งหลับตาเงียบไปชั่วโมงเราหลวลงปู่หลับไปแล้วมันะ้งแล้วหลวงพ่อท่านก็เจอเหมือนกันไป ห, หาหลวงปู่หลวงปู่นั่งหลับตาเลยนะ ตอนนั้นก็ไม่เข้าใจทําไมท่านไม่ยอมสอนนะคือแค้ท่านสอบประวัติเราอยูนะ่พอลืมตาขึ้นมานะสอนนิดเดียวอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองเข้าใจไมเขาเข้าใจเข้าใจมันปลื้มใจอนะดันไปบอกเข้าใจนะเข้าใจแล้วไปสอนแค่นี้นะครั้งแรกไปกลับท่าน น, ะนั่งรถไปทั้งคืนนะประโยคหนึ่งเล้ไล่เลยไ ป, ไปทําเอา งั้นท่านไม่ใช่ครูบาอาจารย์ประเภทประพระงษ์ลูกฝิ่โขกแรงๆเลยไล่ให้ไปทำเอาเองเราก็ปลื้มใจวอ๋อท่านให้ดูจิตตัวเองขอลถไฟขึ้นลดไฟไนหะจะกลับกรุงเทพเอ๊ท่านให้ดูจิตจิตมันเป็นยังไงจิตมันอยู่ที่ไหนจะเอาอะไรไปดูไม่รู้สักอย่างตกใจแล้วทาไงดีตกใจตกใจแล้วไม่รู้จะทาไงพุโทโธไว้ก่อน พุโทโธพุโทโธพุทโธนะสบายใจแะสบายใจแล้ ว, ลวค่อยๆพิจารณาจิตเนี่ยจะต้องอยู่ในร่างกายนี้แน่จิตต้องไม่ไปอยู่ข้างนอกอะ่ะเพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้ไปเนี่ยเราจะคอยดูอยู่ไม่ให้เกินกายนี้ออกไปดังนั้นจะต้องหาจิตในกายนี้แหละทําใจสบายจิตอยู่ในผมหรือเปล่าสัมผัส ด, ดูเลยจิตอยู่ในผมมีไหมไม่มี ในขนในเล็บในฟันในหนังนะไล่ตนะั้งแต่หัวถึงเท้าจิตอยู่ที่ไหนหามันไม่เจอมันจิตเนี้ยไม่ใช่กายหรอกดูสิไม่เคยรู้เรื่องอะไรสักอย่างนะถ้าเรียนตริยัตสักหน่อยมันก็ ง, ง่ายไม่รู้นะไล่หาโง่โอย่างเงี้ยอยู่ในนี้เปล่าไม่มีนะไล่ไล่ไล่ไลหาอยู่ในตัวไม่เจอไอหรือว่าจิตเนี่ยเป็นความสุขความทุกข์นั่งดูนั่งให้มันสบายนั่งสบายนั่งดูความสบายไป ดูไปได้ได้ความสบายหายไปละเอ๊ะความสบายมันก็ไม่ใช่จิตเนี่ยมันกลายเป็นความเมื่อย น, ะนั่งดูเมื่อยไปอีกความเมื่อยก็ไม่ใช่จิตเนี่ยมันของถูกรู้ถูกดูทั้งหมดเลยไม่ใช่จิตนะหรือว่าจิตเป็นความคิดนะสงสัยต่ออีกะอาเราจงใจคิดนะสวดมนต์เลยพุทโธสุดสุดทโธกรุณามะฮั่นนาโวาส่วนในใจนะพุทโธสุดสุดทโธกรุณามะฮันนาโวาสวดอยู่แค่นี้ สังเกตแต่เอ๊ะความคิดนี่ก็ของถูกเราดูเนี่ยพอเห็นว่าความคิดเป็นของถูกรู้ถูกดูพอใจมันเริ่มคิดขึ้นมาปุ๊บน่นะเราจะตื่นขึ้นมาเลยเราจะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมางั้นหลวงพ่อเทียนท่านก็สอนนะบอกว่าถ้าเมื่อไรรู้ฐานว่าจิตคิดนะเนี่ยเป็นต้นทางการปฏิบัติเราจะหลุดออกจากโลกของความคิดเราจะเห็นเลยว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเราอยู่ในโลกของความคิดเราไม่ได้อยู่ในโลกของความจริงเลย ใจสังเกตไหมฟังอาะสมาพูดคอยสังเกตไปนะฟังไปคิดไปไม่ได้ฟังอย่างเดียวหรอกสังเกตออกไหมคิดมากกว่าฟังอีกแต่เดิมเราไม่เคยเห็นว่าใจเราแอบไปฟังใจเราแอบไปคิดเราไม่เคยเห็นเลยเนี่ยพอเรามาหัดดูหัดรู้นะอ้าวใจมันแอบไปคิดเนี่ยใจมันแอบไปคิดรู้จักไหมถ้ารู้ทันว่าใจแอบไปคิดกุ๊ k, าจะตื่นขึ้นในฉับพลันของคุณไม่ตื่นเพาคุณคิดไม่เลิก งนะั้นเนี่ยหัดดูไปเรื่อยนะหัดดูตื่นเช้าขึ้นมะารับราชการอยู่ตื่นเช้ามาวันจันทร์ยังไม่ทันลืมตาเลยนึกได้ว่าวันนี้วันจันนะใจแห้งแรงเลยใจแห้งแรงรู้ว่าแห้งแรงนี่ท่านสอนให้เราดูจิต น, นี่จิตใจเราแห้งแรงเรารู้ว่าแห้งแรงนะเสร็จแล้วะถึงจะขี้เกียจยังไงก็ต้องลุกขึ้นมาตามเวลาใช่ไหมอีกวันหนึ่งนึกได้ว่าวันนี้วันศุกร์แม้จิตใจมันสดชื่นเลย ชื่นฉ่านะเนี่ยหัวใจข้าราชการชั้นเลวนะมันชื่นใจวันนี้วันศุกร์แล้วนะพวกนักเรียนก็เหมือนกันนะวันจันทร์มันใจแห n g แรงวันศุกร์มันสดชื่นนะี่ใจกระทบความคิดแนะความรู้สึกก็เกิดขึ้นมาเราก็รู้ความรู้สึกในใจของเรานะเสร็จแล้วไปอาบน้ำํำนะสมมุติว่าหน้าหนาวตามองเห็นตุ่มน้ํายามหน้าหนาวรู้สึกไงสดชื่นไหมสยองเห็นแล้วสยองรู้ว่าสยองนี่ปฏิบัติอย่างนี้นะ จะไปขึ้นรถเมลนะ์ออกมาเห็นคนเต็มใต้รถเมล์เลยรู้สึกยังไงนะเซง็งเบือ่อรู้ว่าเบือ่อนะเห็นรถเมล์มาขึ้นไม่ได้สักทีหนึ่งกระวนกระวายใจกลัวไปทํางานสายารู้ว่ากระวนกระวายนะเห็นรถเมล์ว่างๆมาดีใจนะใครเคยขึ้นรถเมล์รถเมล์ว่างม า, มาจะดีใจรู้ว่าดีใจนะรถเมล์ไม่ยอมจอดจากดีใจเปลี่ยนเป็นโกรธรู้ว่าโกรธ น, ะนี่ฝึกอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันเลย ฝึกอย่างี้ยกเว้นเวลาที่เราทํางานที่ต้องคิดนะเราก็คิดไปคิดเรื่องงานคิดไปคิดไปแล้วชักขี้เกียจแล้วขี้เกียจรู้ว่าขี้เกียจเบือ่อรู้ว่าเบือ่อนะไปไประชุมเสนองานไปแม้คนก็ชมเราเราดีใจรู้ว่าดีใจนะถึงเวลาทานข้าวเจอของอร่อยดีใจรู้ว่าดีใจเจอแต่ของไม่ชอบนะลาคาญห ง, ง, งุดห ง, ง, งิดรู้ว่าหงุดหงิดนี่หัดดูไปอย่างเงี้ยดูไปนะเจดวันเ็ดเดือนเจ็ดปีดูไปเรื่อยๆ ไม่ต้องทําอะไรนั่งคอยสังเกตความรู้สึกของเรามันเปลี่ยนแปลงให้ดูทั้งวันะทุกครั้งที่ตามองเห็นทุกครั้งที่หูได้ยินทุกครั้งที่ใจคิดเนี่ยความรู้สึกก็เปลี่ยนเนดอะตมากราทำดูๆอย่างเงี้ยนี้หัดดูไปเรื่อยๆนะอยู่สามเดือนเห็นใจเนะี่ยบางวันนะมันเป็นก้อนๆก้อนๆหาทางทําลายมันก็แทกให้แตกมั่งเพ่งให้แตกมั่งเจาะมันมั่งนะ ทำกรรมฐานนั่นโน้นอันนี้ค่อยแก้เรื่อยๆเวลาจิตมันไม่ดีแก้เก่งเหือนแก้เก่งสามเดือนพอดีเลยไปกราบหลวงปู่หลวงปู่ผมดูจิตเป็นแล้วจิตมันเป็นยังไงจิตมันเป็นอย่างนูน้างงานอย่างนี้เยอะแยะเลยนะแต่มันมาไม้ไหนนี่นะเราจัดการเราแก้ได้เรื่อยๆนึกว่าท่านจะชมนะแก้เก่งไปดูใหม่นั่นมันอาการของจิตไม่ใช่จิตไปดูใหม่เรียนครั้งที่สองเรียนไปอีกประโยคหนึ่ง นั่งรถไฟไปทั้งคืนเพื่อจะเอาประโยคเนี่ยว่าให้ไปดูอาใหม่ที่ดูอยู่ล่ะผิดไม่บอกเลยนะว่าที่ถูกเป็นยังไงเอาใหม่มาเฝ้าดูอีกนะแต่ละวันความรู้สึกไม่เหมือนกันเอาแล้วเราไม่แก้มันแล้วคอยดูมันมันโกรธ ด, ดูซิมันจะโกรธนานแค่ไหนมันโลภดูซิมันจะโลภแค่ไหนคอยรู้คอยดูไปนะไม่ตามแก้มันแล้วอันนี้ตามรู้ตามดูไปด้วยจิตใจมันก็ค่อยๆเปลีย่ยนแปลงไปนะงั้นเรา <ภ> <BE> ปฏ right ิบัต <im inters> <im dumpling> ิเป็นราวาสก็ทําได้เพราะผัสสะของเราเยอะตามองเห็นความรู้สึกเปลี่ยนก็รู้ทันใจของเราหูได้ยินเสียงความรู้สึกเปลี่ยนก็รู้ทันใจใจเราไปคิดความรู้สึกก็เปลี่ยนก็รู้ทันใจอย่างคนแก่หน่อยคิดถึงอดีตมีความสุขรู้ว่ามีความสุขคนปฏิบัติกับคนไม่ปฏิบัติเนี่ยต่างกันนิดเดียวคนที่ไม่ปฏิบัติเวลาเขาเห็นอะไรเขาก็เห็นผู้ชายมาผู้หญิงมาเขารู้ว่าผู้หญิงผู้ชายมาเขาเห็นว่าเพื่อนเขามาเห็นว่าศัตรูเขามา เขาเห็นอย่างนี้ผู้ปฏิบัติต่างากาับเขานี่เปี่ยนะเห็นเพื่อนเดินมาดีใจรู้ว่าดีใจเห็นศัตรูเดินมาเกลียดมันรู้ว่าเกลียดมันไม่ห้ามนะไม่ต้องห้ามเกลียดไม่ใช่ไม่ใช่ว่าห้ามดีใจห้ามเกลียดอย่ามาฝืนตัวเองให้มันผิดธรรมชาติรู้ไปอย่างธรรมดาที่สุดเลยนะได้ยินเสียงเช่นได้ยินเสียงเดินเดินอยู่ได้ยินเสียงด่ามาข้างหลังไอ้บ้าไม่โมโหเลยโมโหรู้ว่าโมโหเห็นไหมถ้าคนอื่นเขาจะหันไปดูอย่างเดียวว่าใครมันดา่า ของเราโมโหเรารู้ว่าโมโหสักก่อนล้หันไปดูเพื่อนเราเองมันร้องทักทายเกลียดจากโมโหเป็นดีใจคนอื่นพอเขาเห็นเพื่อนเขาก็วิ่งไปคุยเฟลินเลยของเราดีใจปุ๊บเราเห็นว่าดีใจนี่เกินชาวบ้านเขาอยู่นิดเดียวเองเพราะงั้นผู้ปฏิบัติกับผู้ไม่ปฏิบัติหน้าต่างกันนิดเดียวคนที่ไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยพอตามองเห็นเขาก็เห็นจริงๆเลยลืมตัวเองลืมกายลืมใจตัวเองของเราพอมองเห็นคนนี้ดีใจรู้ว่าดีใจเห็นคนนี้เกลียดรู้ว่าเกลียด เห็นเป็นอนี้หูได้ยินเสียงความรู้สึกเราเป็นไงเราคลอยรู้นะคนทั่วๆั่วไปเวลาสมมติดูทีวีดูทีวีสนุกมากอ่ะดูบอลสนุกมันลุกขึ้นเต้นด้วยนะหรือดูมวยลุกขึ้นเต้นได้ด้วยสนุกเขารู้อยู่แค่เนี่้เพลิดเพลินไปของเราดูมวยหรือดูบอลสนุกรู้ว่าสนุกเนี่ยผิดกับเขานิดเดียวะนิดเดียว ไม่ต้องทําอะไรให้มันมากกว่านี้หรอกนะเท่านี้เองฝนะึกไปเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีทําไปสมมุติว่าออกจากสลาไปนะได้กลิ่นดอกไม้หอมรู้ว่าดอกไม้หอมเนี่ยปฏิบัติถูกหรือยนะังอ่าถูกดอกไม้หอมรู้ว่าดอกไม้หอมนะไม่ถูกนะดอกไม้หอมรู้ว่าดอกไม้หอมเนี่ยคนอื่นเขาก็รู้คนไม่ปฏิบัติก็กรู้นะ งันดอกไม้หอมเราได้กลิ่นดอกไม้หอมปุ๊บใจมันสงสัยว่าดอกอะไรนะรู้ว่าสงสัยได้กลิ่นดอกไม้หอมใจมันชอบรู้ว่าใจมันชอบ น, นี่รู้เข้ามาที่ใจแล้งั้นไม่ไม่รู้แค่หอมน ะ, นะอันอื่นก็เหมือนกันตามองเห็นก็รู้ที่ใจหูได้ยินเสียงก็รู้ให้ถึงใจจมูกได้กลิ่นก็รู้ให้ถึงใจใจมันคิดไปรู้ให้ถึงใจมันคิดไปแล้วมีความสุข